50 languages. Six. What do you know? w e வ t h e r and வ l i m a t e Paruvakalamum v วาสันต์คาลัมโคโดีคาลัฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวยี่เลยูเดียร์คาลัมมัทรุมคุลีรคาลฤดูร้อนอากาศร้อนโคโดีคาลัมเบปป์มะม่าหยิรกุมพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน காலத்தில் சூரியன் ப ி ர க น ச ร க ் க ி ற ா ன ்ในฤดูร้อนเราชอบไปเดิ น, น, ดน เ, เล่นโ த ดีคอลต์ க ิลน้ำ க ุณ செல்லுதல் மிகவும் வ ி ர ு ப ร ப ம ்ฤดูหนาวอากาศหนาวคุลิร์คอลัมคุล ச ் ச ி ய ா க இருக்கும் ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก คุณรีดข้าวหลั ல ติลปนีอลลัดวมาเย์ปย์แยอมในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้านคุณรีดข้าวหลังติลน้ำเกลือมะนิลตั้งกวัดวิรุปมหนาวคุณรีดอากาศยิ่งขึนดกฝนกำลังตกม ழ ை ப ย ய เปยกรดมีลมแรง คอตร ற วีீ ச อ அ ดி க ก க ร ற ดุอบอุ่นเวปป์ผมว่าก็ยืนอีกคราดุแดดจัดเบย์ลัดอ க กคราดุดท้องฟ้าโปร่งเวปป ப ம ม ம ிด ம ม க இ ர ก க ் க ி ற த กรดุวันนี้อากาศเป็นอย่างไร இன்று பருவநிலை எப்படி உள்ளது? วันนี้อากาศหนาว இன்று குளிராக உள்ளது. วันนี้อากาศอบอุ่น இன்று வெப்பமாக உள்ளது.